ชิดกับไปชิดมาอยู่นี่ก็หลายปีแล้วแลวหละต้องอยู่เก่าั้งมาใหม่นมันเลยทำให้ว้ใจไม่ได้ยิ่งหนักมาเก่าก็ยิ่งหนักไปมากขามากข่แท้ที่จะเบาลงบาลงไม่เบานะเรมันเข็ม เมันเคยรับภาระอานนี้มาเคยโดนมาสัพอทำไมอยู่กขาหลวงปู่ท่านหลงพแม่ครูจันทร์มันเงินเราหนักมากไม่ย้อยไม่น้อยนะแต่เวลานั้นมันกําลังหนุ่มน้อยอยู่ความคิดกวมอ่านอะไรก็ธาตุขันอ่อนนวยอันนี้มันธาตขันมันไม่อํานวยแล้วมันอ่อนเปียกอ่อนเปียกอ่อนเปียก ก็ยิ่งรับแต่เรื่อง ห, หนักหนักเรื่องหนักเัื่องหนักโดนก็หัวใจหัวใจมันไปยิ่งแย่ลงทุวนทุกวนันในพุทธศาสนาของเราตามตำรับตำราท่านก็มีไว้สมบูรณ ทั้งพระสุตตตะสุตนตะปิดกพระวินัยปิดกพระอภิธรรมปิดกปิตกะก็คือภาชนะนั่นเองตาแปอกแล้วปิดกปิดกคือตะกร้าหรือภาชนะนั่นเองท่านบรรจุไว้เรียบร้อย เราก็เรียนมาตามนั้นเรียนตามที่ท่านจดจารึกเอาไว้ในปิฎกต่างๆเข้าสู่หัวใจด้วยความจําในระยะนี้การเรียนทั้งหมดไม่ว่าจะเรียนปิฎกใดเข้าสู่ใจ เป็นเข้าสู่ด้วยความจำธรรมะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ท่องบนสังวัยายทั้งหมดรวมเข้ามาสู่ใจนี้เป็นธรรมะภาคความจำไหลเข้าสู่ใจด้วยความจำยังไม่เข้าสู่ใจด้วยความจริงเพราะฉะนั้นผู้ศึกษามากน้อยจึงไม่พ้นความสงสัย ในปฏิบทาในการดําเนินว่าจะดําเนินอย่างไรดีดําเนินอย่างไรถูกหรืออย่างในผิดความสงสยัยความสงสยังสยนี้จะต้องเป็นพื้นอยู่โดยดีในบรรดานักปริยัตทั้งหลายไม่ว่าท่านว่าเรานี่พูดตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในหวัวใจของผู้ศึกษาเราเรียนมาเราอยากจะพูด เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยว่าทุกดวงใจเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นเรื่องที่จะเป็นอย่างนั้นโดยแท้เนื่องจากไม่มีผู้สันทัศน์จัดเจนในปฏิปทาเครื่องดําเนินและรู้เห็นจากการดําเนินนั้นอันเป็นปลายผลแล้วมาก่อนมาชี้แจงแสดงบอกจึงผู้ที่ศึกษามากน้อย สงสัยไม่ได้จำต้องสงสัยอยู่โดยดีนี่เป็นคตินิสัยของปุตติชนเราโดยทั่วๆไปการพูดถึงก็พูดถึงแต่ภาพความจำไม่ว่าจะพูดถึงทรรมในปีโดกใดพระสุตตันตะปีโดกก็ดีพระวินัยปีโดกนั้นก็รู้แล้วว่า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 แม้ได้มีความรินเข้าสู่ใจเราจะเอาอะไรไปพูดปฏิบัติจึงต้องแบบความสงสัยเต็มหัวใจอยู่นั่นแหละเรียนก็เรียนรู้ก็รู้ในภาคความจำแต่วิธีปฏิบัติเมื่อไม่มีผู้ทำนี้ํำนานพร้อมทางการทรงผลมาแล้วมาพาดำเนินจึงเป็นเรื่องลาบากอยู่มากไม่สามารถที่จะปฏิบัติ ไห้ถูกได้โดยถูกต้องดีงามและราบรื่นไปโดยสม่ำเสมอเลยนี่โดยเหตุนี้จึงต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์อย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นเป็นสําคัญเราพูดหลวงปู่มั่นเราก็ไม่สนิทสนมเท่ากับพ่อแม่ทั้งพ่อทั้งแม่คืออุบาอาจารย์มั่นอันนี้เราถึงใจคือเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เลี้ยงมาตลอดในอัดในธรรมด้วยความถูกต้องแม่นยําไม่มีผิด พลาดพาดเลื่อนเลยนี่แหละปฏิปทาของท่านไม่มีคำว่าออกนอกลูก่นอกทางดําเนินตามทุดงขวัตเป็นฐานสําคัญหรือเป็นแนวทางสาคัญมากทีเดียวส่วนพระวินัยนั้นก็รู้แล้วว่าพระวินัยว่าอย่างไรไม่มีความพิสดารไม่มีความตีความหมายต้องกงไปกงมาเลยส่วนธรรมะนั้นมีความหมายแยกแยะเพราะเป็นส่วนละเอียดดิ้นได้ ถ้าพูดแบบโลกๆหรือว่าดิ้นได้พลิกได้ส่วนพระวินัยนั้นไม่มีลงไปคงมาแต่เรื่องธรรมะนั่นสิหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินอย่างถูกต้องแม่นยำถือเอาธุดงคขวัตร1บสามนี้เป็นพื้นเทในการดำเนินแล้วการประพฤติปฏิบัติจิตใจของท่าน ก็ไปเป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่นอกลู่นอกทางให้ทำให้ผู้อื่นสงสัยและลิวจะทำเพื่อความเด่นความดังอะไรออกนอกลู่นอกทางนั้นก็ไม่มีเป็นแนวทางที่ราบเรื่นดีงามมากนี่ละเป็นที่นอนใจเป็นที่ตายใจยึดถือไว้ได้โดยไม่ต้องสงสัยก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่าน คุบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านก็มีจำนวนมากพากันํำเนินมายึดถือหลักนั้นแหละมาปฏิบัติแต่แพร่กร ะ, รากระจายออกไปแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเป็ น, นแขนงนแขนงจนกระทั่งถึงพวกเรานี้ก็มาจากสายของท่านนั่นเองเป็นที่แน่ใจไม่สงสัยคือไม่มีคำว่าแฝ ง, แงหรือแผล ง, ง, งอะไรออกไปให้เป็นที่สะดุตาไม่ ไม่แน่ใจอย่างนี้ไม่มีท่านดำเนินอะไรเป็นที่เหมาะสมเท่านั้นคือมีแบบมีธมัมเป็นเครื่องอยืนยันไม่ผิดเพี้ยนไปเลยนี่เพราะอะไรเพราะเบื้องต้นท่านก็ตะเกียกตะกายก็จริงแต่ตะเกียกตะกายตามหลักธรรมหลักวินยัย ไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยหลักวินัยคือกฎของพระระเบียบของพระท่านกรงเต็งเลยและหลักธรรมก็ยึดธุดงค์13ข้อนี้เป็นทางดําเนินนี่แม้จะล้มลุกคุคลานในเบื้องต้นท่านก็ล้มไปตามแถวตามแนวของธุดงควัดไม่ออกนอกลูก่นอกทางนี้ไปย่ับทางอื่นบ้างเลย นี่จริงเป็นที่น่าโนอาณาเป็นอย่างยิ่งมาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของท่านต่อจากนั้นท่านก็ปรากฏเห็นผลขึ้นมาโดยลําดับลาดาดังที่เคยเขียนไว้แล้วในประวัติของท่านจนกระทั่งเป็นผู้ทรงมากทรงผลโดยสมบูรณ์ในหัวใจท่านแล้วก็ประกาศสั่งสอนทำแก่บรรดาสิทธ์ทั้งหลายพร้อมทั้งปฏิบัติการเครื่องดำเดินโดยความด้วยความองอาจกล้าหาญ ไม่มีความสะทกไม่มีคำว่าสะทกสถทานแม้นิดหนึ่งเลยนี่เพราะความแน่ใจในใจของท่านเองทั้งฝ่ายเหตุทั้งฝ่ายผลท่านเป็นที่แน่ใจทั้งสองแล้วนี่พวกบรรดาลูกศิษย์ทั้งลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่เข้าไปศึกษารวมกับท่านจึงได้หลักได้เกณฑ์จากความถูกต้องมั่นยาที่ท่านพาำล้เนินมามาเป็นเครื่องดาเนินของตนและถ่ายทอดไปโดยลาดับลำดา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 นี่แหละเป็นเป็นที่ให้ตายใจนอนใจอบอุ่นใจได้ผิดกับที่เราเรียนมาโดยลำพังแล้วปฏิบัติโดยลำพังเป็นไหนไห น, นยกตัวอย่างไม่ต้องเอาที่อื่นที่ไกลที่ไหนเลยผมเองนี่แหละเรียนจะว่าอวดหรือเมื่อก็ตามก็เรียนถึงมหาแต่เวลาจะหาหลักหาเกณฑ์มายึดเป็นเครื่องดำเนิน ด้วยความอบอุ่นแน่ใจตายใจสําหรับตัวเองไม่มีจะว่าอย่างไงนั่นมันเป็นอย่างนั้นจิตเสาะแสแวงหาแต่ครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาจะพ่ออย่างยิ่งพ่อแม่ครูจนันทร์มั่นจิตสังลึกทีเดียวตั้งๆที่ยังไม่ได้พบองค์ท่านก็าตามและยิ่งไปพบท่านในวาระแรกที่ท่านจะออกจากเชียงใหม่มาเรายังไม่มีโอกาสที่จะออกมากับท่านในเวลานั้นโดยแล้วก็ยิ่งฝังลึกลงไปโดยลําดับลาดา เระฉนั้นเวลาหยุดจากการศึกษาเรียนตามเกตนาที่เจ้าของอังไว้แล้วจึงตั้งหน้าตั้งตามุ่งหน้าที่จะไปหาท่านโดยทายเดียวเท่านั้นนี่เพราะความฝังใจลำทังเจ้าของเรียนมามากน้อยหาที่ยึดไม่ได้ไม่ใช่ผมประมาททมของพระเจ้าเราพูดถึงเรื่องความโง่ของเราทั้งทั้งที่ทำของพระเจ้าก็เป็นเพชร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 ตามตำหรับตำลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาว น, นาเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสาวกองค์นั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในเขานั้นนั่นคือเยี่ยงอย่างอันดีของท่านที่พาดําเนินมาควรจะยึดถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้แล้วแล้วปฏิบัติตนไปเลยแต่นี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นนะวันยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้นี่แหละ ความสดสดร้อนๆความเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยเป็นของสําคัญมากกว่าความที่คาดคะเนไปตาเห็นเราไปพบพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพาดําเนินเห็นตาเห็นชัดๆประจักษ์ตาหูได้ยินประจักษ์แล้วเข้าสู่ใจจากธรรมที่ท่านแสดงออกมาด้วยความจริงใจด้วยความรู้จริงเห็นจริงของท่านไม่มีคําว่าเห็นจัก มีแต่ต้องตั้งเป็ น, นั้นตั้งเป็นนี้เพราะความเ น, น, นี่ใจนั่นนี่แหละจึงทําให้จิตใ จ, จมีความแน่นหนามัน่นคงอบอุ่นขึ้นมาเพราะได้ครูบาอาจารย์อันเป็นหลักปัจจุบันยึดถือนี่การที่กล่าวนี้ผมไม่ได้ประมาทธรรมของพระพุทธเจ้านะผมก็เรียนแต่เพราะคําโง้ของเจ้าของต่างหาที่ไม่สามารถที่ยึดเอาธรรมที่ตนเรียนมาแล้วนั้นมาประหัตประหารกิเลสได้เช่นเดียวกับข้างผูจการท่าน เคยประหารมาแล้วจนปรากฏเป็นสาวกอรหลานก็มีจํานวนมากแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมว่าการศึกษาต่อพระพักของพระพุทธเจ้านี้สาคัญมากทีเดียวนั่นมันสําคัญกว่าการศึกษาจากคัมภีร์ไบาลานเพราะคัมภีร์ไบาลา น, นี้เกิดทีหลังพระพุทธเจ้าปริพันธ์นานไปแล้วไม่รู้กี่ร้อยปีถึงได้จดจารึกขึ้นมาด้วยความลึกได้ของปราบท่านเองเน่ย ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรจะเป็นร่องรอยให้เราทั้งหลายได้ยึดการจดจารึกมาจึงขึ้นอยู่กับภูมิรากฐานของจิตใจแห่งผู้จดจารึกว่าเป็นคนประเภทใดจะเป็นคนประเภทใดก็ตามเราก็ได้ธรรมะ ออกมาจากพุทธศาสนามาประกาศธรรมสอนโลกโดยมีสักขีพยานทั้งพระสุตตันตปิฎกทั้งพระวินัยปิฎกทั้งพระธรรมปิฎกแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอันนะี้อันนี้เรายกไว้แต่เราขอพูดเน้นลงพิกในหลักสำคัญของธรรมที่ ส, สดสดร้อนๆที่จะลื้อฟื้นจิตใจให้ขึ้นได้อย่าง ท่าน อ, อกท่านใจนี้ก็คือการฟังธรรมในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าหนึ่งฟังธรรมเฉพาะหน้าของพระอรหันต์ซึ่งเป็นสาวกของท่านที่เต็มเปี่ยมด้วยอัดด้วยธรรมแล้วหนึ่งนี่ต่างกันกับการศึกษารเรียนการจดจําจากครูจากตํำรับตําลาดูมากทีเดียว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 ความสัมผัสแห่งธรรมที่จะเข้าที่ออกไปจากปากครูบาอาจารย์จะเข้าสู่จิตใจนี้เท่านั้นนั่นจริงเป็นภาคปฏิบัติแล้วการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ากับการที่เราเรียนตามตำลับตำลาอันเป็นความจำมาเปล่าเปล่าเฉยเฉยนั้นผิดกันอยู่มากทีเดียวราวฟ้ากับดิ่งเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ถ้าพูดถึงว่าพระธรรมก็อยู่ในพระธรรมนี่แล้วยื่นให้ยื่นให้ยื่นให้ ไม่ไปหยิบยืมเอากำพีนั้นกัมพีนี้ชื่อนั้นชื่อนี้แห่งธรรมมาสอนโลกสอนสงสารอะไรออืเอาออกมาจากพระหัตนะเอาย่นเข้าไปอีกเอาออกมาจากพระไถ่คือคว้าออกมาจากพระไทย่ยื่นให้ด้วยพระหัตต้วนแล้วตั้งแต่เป็นของจริงด้ว น, ว น, วนซึ่งได้เคยรู้เคยเห็นได้เคยค้นพบ มาแล้วด้วยวิธีการอันถูกต้องจึงเห็นผลเป็นที่พอพระไทยแล้วนํายื่นให้แก่บรรดาบริษัททั้งหลายสดสดร้อนร้อนทําไมผู้ต้องการความจริงจากของจริงอยู่แล้วจะไม่ถึงใจจะไม่รู้ไม่เห็นนั่นท่านมาภาคปฏิบัติเป็นในขณะที่รับกันนั่นเองถอดจากใจหนึ่งเข้าสู่ใจหนึ่งคือถอดจากพระไทยของพระพุทธเจ้า เข้าสู่จิตใจของผู้ฟังทั้งหลายด้วยความจัดความจริงล้วนๆไม่มีคำว่าแปลงปลองแฝงอยู่เลยยังสามารถบรรลุธรรมได้เป็นขั้นขั้ น, น, นหรือตามอำนาจวาสนาของตอนและเลื่อนระดับของธรรมไปโดยลำดับลาดับจากการฟังแต่ละครั้งละครั้งจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปได้โดยไม่สงสัยนี่ต่างกันอย่างนี้เอแล้วพระสาวกอรหันเล่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ ทรงอริยสัตวสี่ไว้โดยสมบูรณ์และทรงมรรคทรงผลสมบูรณ์เต็มพระหมดเต็มเต็มหัวใจด้วยท่านจะสอนผิดไปที่ไหนท่านผ่านก็ระด้วยความถูกต้องจนกระทั่งถึงขั้นหลุดพ้นไม่มีอะไรสงสัยแล้วท่านจะนำความงมงายมาสอนพวกเราได้อย่างไเอาความงมงายมาจากไหนก็ท่านไม่ใช่พระงมงายท่านเป็นพระที่บริสุทธิ์พุโทโธทั้งดวงภาในาพระ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 ไม่เหมือนกับที่เราเรียนท่อง บ, บนสังขัญยายจากคำพีนอันนั้นไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติมีแต่เรียนเรียนล้วนเป็นความจำล้นล้วนความจริงไม่มีอืขณะที่ฟังนี้มีเต็มไปด้วยความจริงท่านแท้แท้สอนออกมาจากความจริงทั้งหมดผู้ฟังก็เป็นความจริงจิตตั้งแล้วด้วยสตินั่นเป็นความจริงอันหนึ่งเดียวรอที่จะรับฟังเหตุผลกลไกใดใดๆซึ่งออกมาจากความจริงไม่ผิดไม่พลาด แล้วมันต้องรับความจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่ยวยโดยลําดับลําดานี่แหละที่ทําให้เกิดผลขึ้นมาในครั้งพุทธกาลว่าบรรลุธรรมเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเวลาฟังธรรมจากตรงพระ พ, พ, พ, พุทธเจ้าทําไมจําจําเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นไปได้แท้แทเราจะหาเลือกอะไรมาบิดเบือนกันว่าเป็นไปนไม่ได้นอกจากกิเลสเท่านั้นที่มันตัวพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวหลอกลวงจับโลก ผู้โง่เขาบ่กปัญญาให้ล้มไปตามมันเท่านั้นว่าเป็นไปไม่ได้ว่าไม่จริงนี่คือเรื่องของกิเลสต้องค้านทำเสมอถ้าเรื่องของธทำแล้วหัวใจเปิดอยู่ด้วยมากด้วยผลทําไมเปิดเทลงในจุดในหัวใจดวงที่ต้องการนักผลอยู่แล้วซึ่งเป็นความจริงด้วยกันทําไมจะรับกันไม่ได้นั่นมีอดีตที่ตรงไหนมีอานาคตที่ตรงไหนสัจธรรมไม่ใช่อดีตสัจธรรมไม่ใช่อนาคตมันปรากฏอยู่ที่กายที่ใจของสัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้น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 ได้สมาธิความแน่นหนามั่นคงความสงบใจความอิ่มตัวอิ่มใจสบายใจขึ้นมาและความแยียบคายภายในปัญญาภายในใจด้วยปัญญามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบไปโดยลําดับลาดาขึ้นมาภายในใจของตนจากการปฏิบัติกับครูกับอาจารย์ที่เป็นแบบฉบับอันดีงามมันแทนที่จะเป็นอย่างนั้นมันทําไมมันจริงเป็นไปนไม่ได้ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาเป็นความเหลวไหลเหลวแหลกเค่นั้น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 อะไรในอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ตามที่ยังไม่มีมันก็วาดภาพหลอกขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นลมๆแรงๆขึ้นมาให้เป็นตนเป็นตัวให้เราเพลินในความคิดความปรุงของตัวเองโดยหาเหตุหาผลต้นไปลายไม่ได้อยู่วันนั่งค่ำไม่มีความเบื่อหน่ายเลยนี่ตัวกิเลสมันเร็วอย่างนั้นให้ดูเอานี่ที่สอนแล้วนี่เอ า, เอาพิจารณาสิไม่ได้มีอยู่ในหัวใจของผู้สอนนอย่างเดียวมีอยู่กับทุกคนความจริงจะต้องทราบด้วยกันทุกคนถ้าใจได้ตั้ง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 รูปดินรูปน้ํารูปอะไรก็แล้วแต่เถอะที่เป็นวิสัยของตามันเห็นมาแล้วมันนามาปรุงมามักคิดสิ่งว่านี้มีอะไรพิเศษเราเคยเห็นเคยเจอมาพบมาแล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ในร่างกายของเราก็คือรูปนั่นเองมันก็เห็นกันอยู่ชัดๆมันวิเศษอะไรถึงขนาดนั้นยังต้องยังต้องยอมกิเลดโดยไม่รู้สึกตัวให้มันกล่อมจนหลับด้วยการปรุงเรื่องของรูปอ่ะ ไม่มีความว่าสิ้นสุดไม่มีคำว่ากะเอชา้าคําาบไปแล้วไม่มีคำว่าเป็นเดนไปแล้วนานไปแล้วเนา่นาเฟะแล้วเหม็นคลุ้งไปหมดแล้วไม่ได้ว่าอืออุ่นขึ้นมากินตลอดหลงตลอดนั่นเองคือว่ากินตลอดติดตลอดนั่นเองดีก็ติดชั่วก็ติดรุ้งอยู่ตลอดเวลาส่วนมากติดแต่เรื่องชั่วเรื่องนั้นเท่านั้นแหละหรักก่อน ก็รักชังก็ชังเคยรักเคยชังมาแล้วกับสิ่งที่เก่าวมาเหล่านี้ทําไมมันถึงไม่ไม่ขินไม่ชาไม่ไม่รู้กฎบารของกิเลสที่มันหลอกอยู่ตลอดเวลามันก็เอาเรื่องเก่านั่นแหละมาหลอกมันไม่ใช่เอาเรื่องใหม่มาหลอกนี่นาพอจะได้หลงกลเข้ามันแบบไม่ทันเพราะมันเป็นกลใหม่อันนี้มีแต่กลเก่าทั้งนั้นกลจากรูปกลจากเสียงกลจากกลิ่นรสสัมผัสต่างๆมีแต่เรื่องของเก่ากลเก่าปรุงอันเก่าขึ้นมาหลอกอ ย, อย่างนั้น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 ใจเป็นตัวรู้ทรงรู้อยู่ตลอดเวลาทำไมจึงให้สิ่งลามกจกเปรตทั้งหลายลากเอาความรู้นี้ไปเป็นเครื่องมือใช้ในความรู้ในสิ่งที่เป็นเป็นภัยมากทำลายตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวตลอดมาเล่ามันไม่งโง่มากไปเกินไปแล้วหรือมนุษย์เล่าเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเราพระกรรมาฐานเหล่านี้ทาไมไม่ดูนะ เราพูดแต่เพียงรูปอย่างเดียวเท่านั้นมันก็กระเทือนโรคกับธาตุแล้วมันกว้างแคบขนาดไหนรูปนี่และติดกว้างแคบขนาดไหนจิตนี่มันเคยติดสิ่งวันนี้แล้วติดมานานเท่าไหร่แล้วได้คํานึงดูแล้วอย่างมันติดมานานเท่าไหร่มันเมื่ อ, อไหรจะเบื่อสิ่งวันนี้มันไม่น่าเบื่อเพราะอะไรอืมมันวิเศษวิโสอันใดถึงไม่น่าเบื่อฮเพราะกิเลสมันทําให้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 อ้าวมันเหมือนกันนี่แหละเป็นของวิเศษวิโสอะไรมันมีอยู่เต็มตัวเราทุกคนรูปก็อยู่เต็มตัวของเราเสียงก็ออกจากตัวของเราก็ได้ไงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่ในตัวของเราครบหมดนี่ตื่นไปที่ไหนดูสิสัมผัสดูตัวเราเป็นยังไงแไปตื่นในทางภายนอกดูอนี่มันกรครบแล้วเมื่อรู้อันนี้แล้วมันก็รู้ข้างนอกอีกครบอีกเช่นเดียวกันปล่อยอันนี้แล้วก็ปล่อยไปได้หมดสงสัยอะไรนี่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 มันลากมันจูงไปทุกแห่งทุกหนทุกมุมโลกคุ ม, มิท้องถันที่ตรงไหนที่เราไม่ได้เกิดไม่มีมันได้เกิดทั้งนั้นจิตดวงเดียวของเรานี่แหละตัวขยันเกิดจนนับไม่ถ้วนเอาปัจจุบันเป็นราักฐาน น, นําพัญยืนยันไปได้หมดเรื่องอนาคตหาประมาณไม่ได้เพราะความเกิดตายของจิตที่พาให้เป็นไปนี้แล้วอนาคตก็เหมือนกันจะไม่มีประมาณเลยถ้าไม่ตัดให้ขาดสับั้นลงไปในวงปัจจุบันนี้คืออวิชชาปัจญญาสร้างข้าลานี้สําคัญมากทีเดียว เอานี่้ขาดลงไปวิธีตัดอวิชชาก็ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ยนะอุบายวิธีเริ่มต้นตั้งแต่ฝึกหัดดัดแปลเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือจะกำหนดทำบทใดก็ตามอันนี้เคยสอนไปแล้วนี่เป็นอุบายเบื้องต้นการยกครูที่จะขึ้นบนเวทีต่อยกับคู่คู่ต่อสู้หรือค่าสึกคือกิเลสประเภทต่างๆเราฝึกหัดทั้งเรา จากครูจากอาจารย์ที่ได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันนี้เองคือการฝึกการอบรมแล้วก็ไปฝึกตัวเองสอนตัวเองอุบายวิธีการที่จะตั้งสติให้คิดเป็นอุบายปัญญาอีกอันหนึ่งไม่งั้นไม่รอบจะของไม่ทันกลัวอุบายของกิเลสนะกิเลสมันใหม่เอี่ยมแต่อุบายวิธีการที่จะบราบกิเลสนั้นมันล้าสมัยได้นะเพราะกิเลสมาเป่าพุทธเดียวทอนนั้นล้าสมัยถ้ามีด ก, ก็คมปืนไปหมดหาคมไม่ได้ นี่แหละตายก็ทู่ไปหมดคีณกิเลสเป่าที่ทีเดียวแต่นั้นแหะอะไรก็ทื่ไปหมดทื่อไปหมดทู่ไปหม ด, ไ, หมดไม่มีคําว่าแหลมามากขมเพราะกิเลสมันเก่งมากมนคาถาของมันเป่าพูดเดียวพูดเดียวแต่เราไปเป่ากิเลสดูสิอ้าวอันนี้มันคืดแล้วนะอันนี้สมล่าสมัยไปนะกิเลสหลอกมาเนี่ยไม่มีมีแต่ทันสมัยทางนั้นวิ่งตักเขาจนแทบเป็นแทบตายในเวลาสติปัญญายังไม่ทันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกัน เรื่องหัวใจนี้แต่อย่าลืมว่าสติปัญญานี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเวลาได้เกิดขึ้นแล้วด้วยการฝึกการอารมนี้แล้วกิเลส จ, จะเป็นตัวไหนก็ตามซึ่งเคยฉลัดแล้มคมมากร่อนปัญญาจะเข้าเหยียบย่ําทําลายไปได้ทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือผ่าใจเลยนั่นเก่งไหมปัญญาท่านบอกถึงขั้นสติปัญญาธรรมดาแล้วยังไม่แล้วยังบอกถึงขั้นมหาสติมหาปัญญา ม, ม, มหาวิยะอั้งสิ มหาวิยาคือความเพียรแก่กล้าสามารถอุตสาหะมาพร้อมกันหมดทีเดียวเป็นเกลียวเดียวถ้าเป็นเชือกก็เข้าเป็นเกลียวเดียวหมุนติ้วติ้วติ้วเลยนี่คือการจิตคือจิตที่ฝึกได้ตามหลักตามแบบฉบับของศาสนาที่สอนเรียก ว, ว่าสุขคตธรรมที่ท่านตรัสไว้ชอบแล้วชอบอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติตามได้ดําเนินตามอย่างเป็นไปตามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนกระทั่งถึง พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์เช่นไนลูกศิษย์ก็บริสุทธิ์เช่นนั้นด้วยปฏิปทาอันเดียวกันสาวกทั้งหลายล้วนแล้วแต่บรรลุถึงวิมุตตหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าอันเดียวกันอันเดียวกันนั่นนี่ว่าสวกาธรรมชอบชอบชอบถ้านํามาปฏิบัติให้ตรงเห็มันแก้ไขให้มันทันเลอย่ น, นี้มันมีถึงเห็มันลากเอาลากเอาเลยมันดึงโอ้โหหนักใจนะ ผู้อบรมต่างสอนก็หนักนี่ได้พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยการสอนหมู่สอนเพื่อนก็ดีส่วนเจ้าของได้ปึกผลอบรมเจ้าของก็เคยได้เล่าให้ฟังแล้วมันเด่นตายที่ได้มาไรับความเสียสรนตัญยอว่าเป็นครูอาจารย์สอนหมู่สอนคณะอยู่เวลานี้แล้วจึงได้เห็นฤทธิ์ของกิเลสว่ามันสําคัญอยู่มากฤทธิ์มากจริงๆไม่มีฤทธิ์อะไดในโลกนี้สู้ฤทธิ์กิเลสได้ตัน แล้ในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าทำปราบยิเ่งได้นั่นฟังสิเครื่องมือก็คือสติธรรมปัญญาธรรมนี่แหละเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วสติปัญญาก็เป็นหลวงอ า, าจารย์ต่างๆกั น, กนรวดเร็วไม่มีคําว่าการสถานที่เวลเวลาและเดียบทในการปราบยิ่งไดไม่มีเลยรวดเร็วขนาดนั้นละ่ะจงกระสังเราคํานึงไม่ทันไม่เห็น ถึงเรื่องเหตุเร like, ื <sucks> ่องผลเพราะเหตุอะไรพ่อะเหตุอะไรสติปัญญาถึงได้เป็นอย่างนั้นเพราะใหุ้อะไอย่างนี้ไม่ทันนั่นเวลาความรวดเร็วของปัญญาเกิดก็เช่นเดียวกับกิเลสมันเกิดขึ้นภายในจิตของเราเพราะใหุ้อะไเพราะอาไรทันยังไงทันเมื่อไหร่ไม่ทันเรื่องความรักความชางความเกลียดความโกรธต่างๆที่เกิดเพราะอำนาจของกิเลสนี้ทันเมื่อไหร่ไม่ทันนี่เวลามันมันรวดเร็วมันเป็นอย่างนั้นก็ดิ้บปับเดียวเป็นเรื่องของมันออกแล้วออกแล้วทั้งหมดนี่ เวลากิเลสมีอำนาจตัวของเราทั้งหมดนี่เป็นสถานที่ทํางานของกิเลสเราเป็นตุกตาเท่านั้นเองมีแตล่ลมหายใจฟอดฟอดนีเเ่เวลามันโง่มันโง่อย่างนั้นใจแต่เวลาได้ฝึกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าไปแล้วมันก็ตรงกันข้ามอีกเช่นเดียวกันนอ่าหมดเวลาทำได้ได้เคลื่อนแล้วกิเลสนี่พังลงพังลงพังลงไม่มีเวลาไหนที่ทําจะไม่ขฆากิเลสมีแต่ฆ่าตลอดแต่หากว่าจะเป็นรูปภาพต่างๆ มือนมีรูปมีร่างเนี่ยกิเลสมีรูปมีร่างนี้ไปไหนเกลื่อนด้วยซากของกิเลสไม่ว่าจะสถานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเกลื่อนหมดเดินไปไหนตาหูจมูกทิ้งกายสัมผัสสัมพันธ์ไปที่ตรงไหนตรงไหนมีแต่เรื่องค่ากิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นความคิดปรุงออกอย่างแงใดมีแต่เรื่องของสติปัญญาสังหารกิเลสเกลื่อนโลกธาตุว่าเป็นไรถ้านเราจะพูดอย่างนี้นะฮแต่นี้มันไม่กิเลสไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอย่างนั้น การปฏิบัติเพื่อเอากิงอาจังต่อตนนี้มันล้มเหลวนะมันถึงไม่ได้เรื่องไดยราวอะไรสอนเท่าไรเท่าไหรมันก็ไม่ได้เรื่องนี่เลรอเวลากิจมันด้านมันด้านอย่างนั้นนะ มีกรเจื้อน้าพรรษาแล้วถ้าจะมากๆากนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันจึงต้องทากันขยับขยายออกหาสถานที่เรียกสงัดประกอบความภาคเพียรส่วนที่จะเป็นคติตัวอย่างเครื่องนำเนินนั่นก็น่าจะได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นของที่ลี้ลับเป็นสิ่งที่เปิดเผยตาก็เห็นหมู่เพื่อนคุูบาอาจ า, ารย์พาดาเนินอย่างไรหูก็ได้ยินท่านแนะนำสังสอนอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นด้วยตาอยู่นี่เปิดเผยกันอยู่นี่น่าจะได้เป็นแบบเป็นฉบับแล้วถ้าไม่นอนใจหรือตาใจสักอย่างเดียวแล้วการแสดงทําก็เห็ น, ว, นว่ามีควรมอะไรอยุ่แค่นี้